ตอนกลนแก้ทุกพระยศเรื่องยศที่แรกก็คิดว่าจะไม่มีเรื่องพูดมากแต่ว่าไปว่าไปความก็มากเข้าเองคือว่ากันให้เข้าใจไม่ใช่จะเอาไปสอบเมื่อมุ่งจะให้เกิดความเข้าใจมากก็เลยมีที่ย้ำมากอาจทำให้บางท่านกังวลใจ อยากจะฟังตรงที่แก้ทุกข์จริงๆจึงอยากจะเรียนให้ทราบเสียด้วยว่าข้อความทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการคลี่คลายความทุกข์มาในตัวด้วยอย่างน้อยก็เป็นการทำให้ความทุกข์ที่ปักใจของท่านอยู่ก่อนมีอาการฝ่อแห้งเข้าคล้ายๆเอายาป้ายหัวฤสีดวงทำให้หัวมันฝ่อเข้านั่นเอง ผลที่ว่านี้บางทีท่านเองอาจรู้สึกตัวบ้างแล้วจะอย่างไรก็ตามก่อนจะผ่านเรื่องนี้ไปก็อยากจะชี้ให้ดูช่องทางที่ทุกจเจล็ดลอดเข้ามาหาท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นการสะดวกในการวางกลแก้มือกับความทุกข์ความทุกข์เพราะยศโปรดอย่าลืมว่าความดีเด่นความเป็นใหญ่เป็นโต ความมีหน้ามีตารวมเข้าในข้อนี้ทั้งสิ้นมันเข้ามาเล่นงานเราได้หลายช่องคือหเมื่อยังไม่ได้ยศก็ทุกเพราะอยากได้ 2. เมื่อได้ยศแล้วก็ทุกเพราะอยากมีอาหารให้ยศ 3. เมื่อยศเสื่อมก็ทุกเพราะเสียได้ยศ นอกจากนี้ยังอาจมีทุกแทกอีกหลายอย่างเป็นต้นว่าเกิดจากการเมายศตื่นยศหลงยศเหยยยศและอะไรอะไรยศอีกหลายอย่างเป็นความทุกประเภทลมพัดลมเพเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ตั้งด่านรักษาการตามช่องเหล่านี้ไว้พอสมควรแล้วจะรู้สึกว่าความทุกข์เพราะยศยศสับสักจะรบกวนเราน้อยลง การตั้งด่านรักษาการนั้นย่อมอยู่ในตัวลยพินิษของท่านเองว่าควรจะมีมากน้อยเพียงไรเพราะสิ่งแวดล้อมของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันบางคนอาจอยู่ในสังคมที่ไม่นาพาในเรื่องเหล่านี้แต่บางคนเกิดไปตกอยู่ในสังคมที่ถือจริงถือจังในเรื่องนี้เกินไปดังนี้เป็นต้นเหมือนกับว่า เราแต่ละคนปกครองประเทศคนละประเทศรับผิดชอบไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานใครจะตั้งป้อมค่ายมากน้อยอย่างไรก็ยอมแล้วแต่อนาเขตประเทศของตนที่ติดต่อกับประเทศข้างเคียงนั่นจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษในทีน่นี้ผมจะเสนอกลนแก้ทุกเพราะเป็นหลักใหญ่ๆที่เป็นจุดสำคัญตอน คนที่หนึ่งยอมรับรู้ทางมาของยศคนข้อนี้หมายความว่าให้ยอมรับด้วยใจจริงไม่ใช่เพียงจำคนอื่นว่าว่ายศเกิดจากการกระทําดีของเราเองเมื่อเรามีความดีสมควรจะได้จึงได้การยอมรับด้วยใจจริงอย่างนี้จะตัดปัญหาเรื่องความน้อยใจ และความเสียใจที่ไปมัวแต่คิดว่าเขาไม่ให้เราหรือว่าเขาไม่เห็นความดีของเราแปลงเขาให้เป็นเราเสียคือให้ความบกพร่องมาอยู่กับตัวเราเสียเองจึงทำให้ไม่ได้ยศและความจริงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะตะวันจะขึ้นสองโลกบรรดาวัตถทุทั้งหลายที่สะอาดเป็นมัน ก็จะมีประกายระยิบระยับสิ่งใดสะอาดมากใสามากสิ่งนั้นก็เกิดแสงสะท้อนมากส่องแสงแวววาวน่าดูฝ่ายเจ้าลังไม้ฉ่ำฉาเก่าๆข้างรัว้วก็คงน้อยใจว่าพระอาทิตย์ไม่ให้แสงแวววาวแก่ตัวซึ่งเป็นการเข้าใจผิดถนัดเพราะที่ถูกแล้วพระอาทิตย์เป็นเพียงผู้ให้แสงสว่าง ส่วนแสงสะท้อนย่อมเกิดในสิ่งนั้นนั่นเองการเปลี่ยนเอาความบกพร่องมาไว้ที่ตัวเราเองอย่างนี้เป็นการสกัดกั้นความทุกข์ไว้ได้มากเพราะผู้บังอาจทำผิดให้เราไม่ได้ยศเกิดเป็นคนที่เรารักและโปรดปรานที่สุดคือตัวเราเองซึ่งเป็นคนเดียวในโลกที่เราพร้อมจะให้อภัยอยู่วันอย่างคํา การกระทำล่วงเกินใดๆก็ตามถ้าเราทำน้ำหนักจะเบาวกว่าที่เขาทำหลายสิบหลายร้อยเท่าตอนกนที่สองเมื่อมียศจงรับรองความพอตัวของยศกลที่สองนี้แก้ทุกช่องที่สองที่ว่าทุกที่อยากมีอาหารให้ยศ คือผู้มียศมักจะมีความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งคืออยากได้สิ่งแวดล้อมและบุคคลแวดล้อมให้เป็นการเชิดชูยศที่ตนมีอยู่เช่นอยากให้คนทั้งหลายโค้งคำนับถ้าไม่มีใครโคง้งก็เป็นทุกข์ใจอยากให้เขากราบเขาไม่กราบก็ทุกข์ใจไม่อยากให้มีใครกล้ามาขัดคอก็เกิดจะมีคนขัดคอ อยากมีรถนั่งสวยๆให้สมหน้าก็ไม่มีต้องโหนรถเมรวมความว่าอยากได้สิ่งแวดล้อมยศเสริมยศให้เด่นขึ้นประหนึ่งว่ายศจะต้องกินสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารพฤติการดังนี้เนื่องจากความไม่พอใจในยศของตนเองไม่จุกใจไม่อิ่มใจ ยึงให้มีอันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพิ่มเติมมองในมุมกลับก็เท่ากับเห็นว่ายศของตนยังไม่ดีพอยังไม่งามพอยังไม่เด่นพอเหมือนแกงที่ปรุงรสยังไม่ได้รสผู้รับประทานก็มีอันอยากได้น้ำปลาน้ำส้มมาเติมอีกความจริง ย่อมมีความดีถึงจุดอิ่มตัวอยู่แล้วทุกฉันยศตามมากตามน้อยเหมือนเหรียญอัละหอละสิหรือธนบัตรใบละหนึ่งบาทหบาท10บบาท20บบาทร้อยบาทแต่ละอย่างมันมีจุดอิ่มตัวคือมีค่าเต็มอยู่แล้วคนผู้เป็นเจ้าของเงินต่างหาที่เป็นทุกเป็นร้อน คิดว่าค่าของเงินชนิดนั้นๆจะถึงจุดเต็มต้องมีกระเป๋าดีๆใส่หรือต้องมีคนเห็นคนชมซึ่งเป็นการเข้าใจผิดและทำให้ตัวทุกข์ใจเปล่ า, เ, ลาเรื่องยศก็เหมือนกันยศย่อมถึงจุดอิ่มตัวอยู่แล้วทุกชั้นยศคนเคารพกราบไหว้และการได้สิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นตนว่าเฟอร์นิเจอร์หรูหรู ตู้เย็นพัดลมรถยนต์เหล่านี้จะมีหรือไม่มียศก็คงเป็นยศพอตัวอยู่แล้วการยอมรับความพอตัวของยศเป็นการกำจัดความทุกข์ที่พลอยฟ้าพลอยฝนเหล่านั้นยังได้ผลประหลาดทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ทำตัวเป็นคนตายซากไม่คำนึงถึงฐานเนของตัวหาไม่ได้ แต่มุ่งถึงการฟาดฟันความทุกข์ในใจเท่านั้นตอนคนที่สโปรงอันนี้จังคนเราเมื่อได้รับยศมักจะยึดถือเอาเป็นจริงเป็นจังเกินไปครั้นยศเสื่อมไปก็เกิดความเสียดายเป็นทุกข์ความเสียดายที่ว่านี้ไม่ใช่ความเสียดายชนิดที่ว่าเคยมีแล้วไม่มี แต่เป็นการเสียดายชนิดที่ร้ายแรงคือรู้สึกว่าตัวไม่น่าจะเสียก็เสียความรู้สึกชนิดนี้ทำให้เราต้องตัดอกตัดใจเสียอีกชั้นหนึ่งของจิตข้าพเจ้าอยากจะให้เข้าใจชัดจึงขอเปรียบอย่างนี้ความรู้สึกเสียดายธรรมดาคล้ายๆกับเราถอดเสื้อออกจากตัวมันทาให้รู้สึกหลงเหลงชอบกล แต่ไม่เจ็บปวดทุ ก, ก็ทุกแค่หลงเหลิงคือเคยมีแล้วไม่มีส่วนความเสียดายร้ายแรงที่ว่านั้นคล้ายๆกับถูกลอกหนังหุ้มตัวออกไปทั้งเสียดายทั้งเจ็บความเสียดายอย่างนี้สิร้ายแรงทำให้ทุกมากความเสียดายร้ายแรงจะเกิดขึ้นก็เพราะการยึดเอาเป็นจริงเป็นจังเกินไป พูดอย่างภาษานักธรรมะก็ต้องพูดว่าเป็นการยึดถือว่านั่นเป็นของเราหรือว่าเราเป็นนั่นคือเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราคิดเอามาบวกกันเอาเองคล้ายๆกับคิดว่าเสื้อเป็นเนื้อเป็นหนังของเราจริงๆแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าคิดไว้แต่แรกว่ามันไม่ใช่ ความเสียดายที่จะทำให้ทุกข์ก็น้อยลงเหมือนเรารู้ว่านี่เป็นเสื้อไม่ใช่หนังของมันถอดได้อย่างนี้แล้วถึงคราวถอดก็ไม่ต้องลำบากมากถอดก็ถอดการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าโปรงอนิจจังเป็นคนทีเด็ดดีนะ ตอนคนที่สลดความใหญ่ของตนเองเสียบ้างข้าพเจ้าใครจะขอเสนอคนพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ได้ผลทันตาทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้คือวิธีลดความใหญ่ของตัวเองพูดง่ายๆคือเราเองควรจะลองถอดยศของตัวเองดูบ้างไม่ถึงถอดก็เอาแค่ลดลงทำบ่อยๆ ย, ยิ่งดี ธรรมเนียมเครื่องยนท่านกาหนดไว้ให้แต่งได้หลายชนิดเต็มยศมีเครื่องยศมีถ้าใครกดเครื่องใหญ่เต็มยศทั้งเดือนทั้งปีก็แย่คนไม่รู้จักรดความใหญ่ของตัวเองลาบากมากขึ้นรถเมล์ลงเรือจ้างก็ไม่รู้จักถอดให้รู้สึกว่าคับแคบอึดอัดแทบขาดใจพอขึ้นรถเมล์ก็โดนเด็กกระเป๋าบอก คือแล้วเดินในชิดๆหน่อยคุณท่านผู้สรงเครื่องใหญ่ชักฉุนทีเดียวว่าเอ๊ะเด็กอะไรไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่บอกให้ผู้ใหญ่เดินหน้าได้เท่านี้ก็ทุกข์แล้วโดนเพื่อนผู้โดยสารเบียดเข้าหน่อยก็คิดอีกแล้วคนอะไรไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หทุกข์อีกแล้ว จริงโลกนี้มันก็ไม่ใหญ่โตนักคนเขาก็ต้องเบียดกันไปเบียดกันมาอย่างนี้แหละแต่เรามันโตไม่ลดมันก็ลําบากไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่เขารู้จักโตเป็นคราวถ้าคนแน่นมากเขารู้จักไขลมออกเสียบ้างให้ตัวมันเล็กพอไปพอมาเขาก็กินได้นอนหลับสบายวันนี้ เลิกฟังปาทกถาแล้วท่านที่จะเดินทางกลับบ้านลองซ้อมเป็นการพิสูจน์ดูก็ได้คือก่อนจะออกจากที่ประชุมนี้ให้รีบเตรียมลดความใหญ่ของเราไว้เสียก่อนจะใหญ่จะโตอย่างไรก็เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนคิดเอาว่าเราไม่ใหญ่ก็แล้วกันถ้าทาใจได้อย่างนี้ท่านจะขึ้นรถหรือจะลงเรือ ก็เกือบจะหาคนทำให้ท่านทุกข์ไม่ได้ท่านจะเดินทางกลับถึงบ้านโดยมีความสุขเป็นเพื่อนตลอดทางด้วยการทำอย่างนี้ท่านจะได้ของวิเศษอย่างหนึ่งไปฝากคนทางบ้านคือใบหน้าที่อิ่มเอิบและยิ้มแย้มอย่างคนมีความสุขข้อสำคัญอย่าไปเผลอตัวให้มันใหญ่ขึ้นบนรถเมล์หรือตามถนนขนทางก็แล้วกัน